ไอ้เนี่ยเป็งเนี้ยที่ซอยสายลมก็ต้องจับกวเหมือนกันบางสามสิบนาทีแต่เดี๋ยวเวลาถ่ายลอดมันยุ่งพอ2ยี่สิบแปดนาทีแต่ยื้หัวต้องบอกว่ายี่เจ็นาทีเป็นคนดี อ่ตอนนี้ไปก็ขอแนะนำเรื่องพระกรรมฐานกวามจริงอ่วันนี้ที่อะไรเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรผิดใส่หน้ากากผิดแล้วนี่ผิดช่างเลยออกมาแลทำหมโอ้ได้มันไอตัวนั่งเตะเทปนั่นไม่ดีครับทุกค กกกกบางทีมันเป็นของอันเลยนะกกอ น, น อ, อ, อ, อนถอดอือเลยละเลยถ่ายถอด ด, ดูก่อนสิประจิตเด็กเด็ก เด้กอนีวันนี้เป็นวันที่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้ารอยสามิสองก็ส่วนไหนรักอะ่วนอะไรกิแล้วมัเป็นว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นกรรมฐาน คำว่าเริ่มต้นก็นหมายความว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเปิดกี่เป็นันนี้เขเียกเมื่อวานนี้เป็นวันเปิ ด, าาปปดแต่ว่าวันวานเขาคงพูดเรื่องรอบๆตัววันนี้ขอแนะนำวิธีการเจริกาาญกรรมฐานตามอุทุมปรีการสูตรคำว่าอุทุมปรีการสูตรมาในพระไตรปิฎกเล่มที่เ็ด ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนตามหลักปุตติชาสามโดยตรงในาการในอกาสมบทก็จำบอกววาอย่างนี้พระที่ติเริงกรรมฐ า, านโดยมากพุทธเจ้าพูดคำว่าพระกรรมฐากว่าพระอยู่ข้างหน้านี่มันดาฆราวาสอยู่ต่อออกไปท่านก็ตัดตรงกับพระ เพราะวา่าจะฟังได้ปฏิบัติได้แต่บอกว่าวิธีปฏิบัติกรรมฐ า, านจริงๆอันดับแรกเมื่อกลับจากวินาศทันข้าวแล้วหาที่สงัดจะเป็นโคนต้นไม้ก็ได้เป็นบ้านร้างก็ได้ป่าช้า ก, ก็ได้ป่าช้าก็ได้ในก็ะท่อก็ได้เป็นที่สงัดกายหลังจากนั่งอุธุงกายอย่างมีคายะ ตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มั่นไอ้กร ะ, อะไอ้ขึ้นมาเด้อตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มั่นรวบรวมกําลังใจระงับนิวรณ์ห้ารายการทำนิวรณ์ห้ารายการเนี่ต้องระ ง, งับก่อนเพื่นก่อนที่จะทำกรรมฐานทุกอย่างต้องนึกถึงนิวรณ์ห้ารายการก่อน รือว่านิวนรณ์ห้ารายการในความจริงเราชนะมันไม่ได้ถ้ายังไม่เป็นพระนาคามีพระนาคามีนะตัดได้แค่สองข้อตัดในขาดอีกสามข้อจะตัดได้ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์แต่เดว่าในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอธิเจ้ า, าสูงสดุดเราก็ใช้วิธีระงับคำว่าระ ง, งับก็โดยไม่นึกถึงมันเลย แต่การที่ไม่นึกถึงมันมันก็อดนึกถึงไม่ได้เลยของธรรมดาดก็จิตกับนิวรน์ในคบกันมานานแต่ว่าขณะเริ่มต้นพยายามไม่นึกถึงนิวรณ์ท่ า, ายอย่างคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศและบราิการในสองอารมณ์ไม่พอใจ รายการที่สามความง่วงรายการที่สี่อารมณ์พุ่งสร้างเกินไปรายการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้เวลาที่เราเริ่มต้นกรรมาฐานพยายามตัดมันออกไปจากใจคำว่าตัดออกจากใจไม่ได้ตัดได้แค่แค่ชุดประเดี๋ยวเดียวก็ของธรรมดา อ น, นิวอนที่จะเข้ามาแทรกเราอันดับแรกก็คืออ น, นิวอนข้อที่สี่ที่เรียกว่าอุทธจักกุกุจจะคืออรารมณ์ฟุ่งซ่านอย่างที่เราตั้งใจว่าจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเรื่องเราคำภาวนาเราจะรู้ได้สู่ขณะประเดียวเดียวกำหนดได้ไประเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกถ้าการเป็นอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา เราห้ามมันไม่ได้ถ้ามีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกรู้ตัวว่าจิตฟุ้งซ่านไปเราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มรู้ลมหายใจเข้าหาใจออกรู้รู้คำพวรมาสลับกันไปอย่างนี้แล้วต่อตอนเมื่อจิตระงับจิตวอนแล้วจิตกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตามสมควรหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนําเพื่อทําจิตให้ผ่องใสาจากอารมณ์ต่างๆ ก็คือให้แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งพวงในทุนบริกาสู่ท่างใช้เฉพาะเมตตาตัวเดียวไม่ใช่หมายเต็มพร ม, มีหางสีคือให้มีความรู้สึกภางใจว่าเราจะเป็นเมตที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกไม่มีบุคคลคนใดหรือไม่มีสัตว์ตนใดที่เราจะไปกาดเป็นศัตรูเราจะเป็น ใจก็ไปที่ไหนก็ต้องระวังอันตรายถ้าต่างคนต่างเป็นนิกันมีแต่เนื้อนะมีแต่ความยื้มแย้มจ่มใสเข้าหากันอารมณ์มันก็สดชื่นจิตเป็นสดและรกยการที่สองถ้าเราส า, สามารถทำลายศัตรูได้สมมติว่าเราโกรธจัดเอออยากจะฆ่าคนนี้ให้ตาย ความจริงรายะฆ่าเขาก็ตายเราไม่ฆ่าเขาก็ตายถ้าเราฆ่าเขาได้แล้วเราจะเป็นคนไม่ตายได้ออยังไงในที่สุดเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าเราฆ่าคนคนหนึ่งตายญาติของเขามีกี่คนเพื่อนของเขามีกี่คนต่างคนต่างก็รวมมาเป็นศัตรูกับเรารวมความว่าความโกรธความความเามามป็นศัตรูกันจึงนองไม่ดี ก็คิดต่อไว้ว่าความขุนความเป็นศัตรูกันห้ความขุนคล่องหมองใจจิตใจเศร้ามองตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังขฤทธเขทุกขปกติปาจังขาก่อนที่เราจะตายให้จิตใจเศ้ามองเราก็จะไปสู่ทุกขติมีทุกเป็นมีนรกเป็นต้นจิตเตอสังขฤทธเถสุปติปาจังขาถ้าเวลาก่อนจะตายจิตใจปร่งใส เวลาตายแล้วไปสุกติกมีสวรรค์เป็นต้นเราก็คิดว่าชีวิตของเรามีความเป็นอยู่น้อยอายุไม่มากอย่างมากกว่าร้อยปีคําว่าร้อยปีของเรามันอาจจะมากสำหรับเราแต่ถ้าเราจะไปเทียบกับสวรรค์ชั้นดาวดิงก็ได้แค่หนึ่งวันของสวรรค์ชั้นดาวดินเท่านั้นร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันบงสวรรค์ชั้นดาวดิน ถ้าจะไปเทียบกับยามาเราก็ได้แค่ครึ่งวันของชั้นยามาเพราะชั้นยามาในสองร้อยปีของเราเป็นหนึงวันของเขาถ้าจะไปเทียบกับเทียบกับชั้นดุสิตร้อยปีของเราก็เท่ากับหนึ่งในสี่แล้วหนึ่งหนึ่งในสี่ของวันของชั้นดุสิตเพราะชั้นดุสิตนั้นสี่ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขารวมความว่าเวลาเกินเวลาร้อยปีของเราเป็นเวลาเล็กน้อย ถ้าเราทำความชั่วในชาตินี้จิตใจสมองตายจากความใรคโภต้องไปตกนรกนรกขุมแรกทึ่มีอายุน้อยที่สุดของเมืองนรกคือสัญชีพนรกสัญชีรล้วที่เก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาแล้วปีที่มีเดือนมีสิสามสิบวันลวปีมีสิสองเดือนเหมือนกันอายุในนรกขุมนี้ห้าร้อยปีนรก เรื่องความว่าในเมื่อเราสร้างความทุกข์าอาศัยใสติดคนมัวเล็กน้อยเป็นศัตรูกับคนบ้างเป็นศัตรูกับจัตบ้างฆ่าคนเราก็ลงนรกฆ่าใสก็ลงนรกความยินแย้มแจ่มใสไม่มีความสดชื่นใจมี ม, มีแต่ความเศร้าหมองความเศร้าหมองเป็นอาการของความทุกข์ในชาตินี้ตายไปแล้วก็มีทุกข์มากกว่านี้แล้วก็ตัดสินใจใหม่ว่าคิดเราวคิดถอยหลังว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร คนทุกคนสัตว์ทั้งหมดในโลกเราจะเป็นมิตรที่ดีต่อคนและสัตว์ในโลกทั้งหมดแต่ว่าในอันดับแรกการแผ่เมตตาจิตให้เว้นบุคคลที่เป็นศัตรูซะก่อนพระใจยาเศร้า ม, มองถ้านึกถึงคนที่เป็นศัตรูจิตจะขนมัวแล้วก็ไม่นึกถึงแล้วนึกถึงแต่คนที่ไม่เป็นศัตรูก่อน ต่อไปไถ้ใจิตใจเชื่องในอารมณ์นี้ก็สามารถคิดถึงศัตรูได้แต่เมตตาจิตไปในศัตรูเราเป็นมิตรดีของเขาในเมื่อแผลเมตตาจิตไปนในจักรวาลทั้งพวงแล้วพระพุทธเจา้าบอกว่าตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน่นกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้า ให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นโกรรู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นกรรู้การรู้ลมให้ใจเข้าใจออกนี่เป็นเป็นสมาธิเรียกว่ามีสมาธินานาปานุสติการรู้ลมให้ใจเข้าใจออกเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมากเป็นแม่บทของกรรมฐานอีสานสามทุเก้ากอง ก็กรรมฐานที่เป็นแม่บทจริงๆมีสี่สิบกองแต่ว่าอนาปาณุสติคุมอีกยี่สเก้าองเมื่อรู้เราไม่ใจเข้ารู้เราไม่ใจออกแล้วหลังจากนั้นให้ทำทิปุยานให้เกิดขึ้นพระธุริกาสูตรท่านสอนท่านสอนลัสริชาสามโดยตรงให้สร้างทิภุยานให้เกิดขึ้น เมื่อทุกขยานเกิดขึ้นแล้วสามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจเราชอบเราอยากจะเห็นเทวดาหรือนางฟ้าเราก็เห็นได้ชาวสวรรค์เราจะเห็นชาวพุมธโลกเราก็สามารถเห็นได้เราจะเห็นจัตนรกเห็นเปรตเหสุรกายทสัตวอีสานก็สามารถเห็นได้ให้กล่าวไว้ตามบาลีว่าพรมอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เรามองเห็น เราสามารถคุยกับพรหมได้เทวดาเรื่นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เราเห็นเราสามารถคุยกับเทวดาเรื่นนางฟ้าได้สัตว์นรกเกรงสุรกายอยู่ที่ไหนเราเห็นเราสามารถคุยกันได้ <c oughs> ก็รวมความว่าทุกอย่างที่เราต้องการจะรู้เราต้องการเห็นเรารู้ได้เราเห็นได้ด้วยขับกันแล้วต่อไปเจ้าก็บอกว่าเมื่อมีการข้างตัวแบบนี้ ต่อไปก็ทำปุพเพนิวาส า, านุสติญาณให้เกิดขึ้นคำว่าปุพเพนิวาส า, านุสติญาณก็หมายถึงการระลึกชาติให้ระลชาติถอยหลังได้โดยไม่จำกัดชาติสร้างตนให้คล่องแคล่วหลังจากนั้นทำมิปัสนายานให้เกิดคำว่าปัสนายา น, นี้ก็คือตัวปัญญาก็มีคนคนมากถามว่าจิตสมาธิแล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ตอบไม่ได้เหมือนกันม <c oughs> ีที่ซอยสายลงก็ถามว่าปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วสมาธิตั้งมันแล้วมัจะให้จะาว่าให้เกิดปัญญาจะเกิดขันได้ยังไงถ้าถามแบบนี้ก็ตอบไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็เมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตใจระงับจากทติวร อ, อารมณ์ก็เยือกเย็น กิเลสระงับเวลานั้นกิเลสในใจเราไม่หลังไม่โผไม่ดินน้นรนระงับตัวมันนอนนิ่งเมื่อกิเลสนอนนิ่งปัญญาเมื่อจิตเป็นสุขปัญญาก็เกิดเองปัญญาที่เกิดเองตัวนี้มันป็นยาปัญญาปัญญาเนื่องจากกิเลสทู่ก็มาย้อนตอนต้นหน่อยพระพุทธเจ้าตรัสไว้แค่นี้ก็มาย้อนตอนต้นถึงประโยชน์ ว่าการทำภิคุญานให้เกิดขึ้นมีผลดีกับเราอย่างไรการจิงพิคุยานนี่เป็นเป็นยานต้นของยานแปดรายการเมื่อได้ภิคุญาณแล้วยานต่างๆจะตามมาอีกเจ็ดนั่นคือหนึ่งจุ ก, กูปปาติยานการรู้การเกิดการตายของสัตว์นั่นก็หมายความว่าเราเห็นสัตว์หรือเห็นคน เราจะทราบได้ทันทีว่าคนนี้หรือสัตว์ตนนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนจะมาจากนรกมาจากเปรต จ, จากสุกายจากสติฉานหรือมาจากมนุษย์มาจากเทวดามาจากผมอันนี้เรารู้ได้ทันทีต้องซักซ้อมให้คล่องและไปการต่อไปถ้าคนเึ่งข่าวคนตายหรือสัตว์ตาย ถ้าเด็อยากจะทราบแบบคนที่ตายคนยคนีต้ตายแล้วไปไหนได้วยกฎพุทกรรมอะไรเรจะทราบ ท, าทันทีรู้ความสุขด้วยความทุกข์ของเขาอันนี้จุตูปปาติยานล้วต่อมาก็เป็นเจโตปริยานเจโตปริยานในการรู้วาระน้ําติน้าใจของคนอื่นคือคนอื่นนอกจากเราเนี่ยเขาจะมีความสุขก็มีความทุกข์เพราะเหตุันใดเราจะทราบ เขามีความรู้สึกดีมีความรู้สึกช่วยยังไงเราจะทราบนี่ก็ว่าตาตาตาตาธรมดาธรรมดาสามันโดยทั่วไปนี่ต่อไปอีกเราจะรู้ได้ว่าจิตใจของคล น, นี้ทรงฌานสมาบัติหรือเปล่าเป็นพระอธิยเจ้าหรือเปล่าเป็นพระอรเจ้าขั้นไหนตอนนี้การรู้คุณธรรมด้านจิตใจของคนอื่นนี่เราจะต้องได้เสมอเขา ถ้าเราสามารถทรงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราจะรูู้ได้แค่ฌานของเรา <c oughs> เราเราได้แค่ไหนรู้แค่นั้นถ้าดูต่อไปจะมึดไม่ทราบกากำลังใจของเขาเพราถ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าเราจะมองจิตพระอริยเจ้าไม่เห็นไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเราเป็นปะโสดาบันเขาเป็นปัโสดาบันเรารู้ ต่เป็นสีทาคามีมองขึ้นไปไม่เห็นถ้าเราเป็นพระอาหารหันต์จะเห็นหมดรู้หมดทุกจุดทุกขั้นตอนตอนนี้ในเมื่อเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นหรือไม่เป็นเราอย่าสนใจ <c oughs> เราต้องการรู้จิตใจของคนอื่นเราทำยังไงต้องการรู้ให้มันไม่ผิดเลย <c oughs> ก็ถา ม, ถามทาจิตใจเราเป็นอเุยอยเบกขาญาณเสียก่อน ทำจิตใจเป็นสุขไม่คิดหน้าไม่คิดหลังไม่คิดถึงความดีไม่คิดถึงความโุกขของเขาทาใจวางเฉยแล้วถามตรงพระพุทธเจ้าขอดูจิตแค่นี้เราจะรู้จิตใจของเขาทันทีตามที่พูดนี่ยังใช้เวลาชาถต่เอาจริงๆมันไม่ชาพอนึกปั๊บมันรู้ปุ๊บนึกถามปับ๊บเห็นปับ๊บจิตใจของคนจิตใจของสัตว์ไม่เป็นเหตุลี้ลับที่คนอื่นจะเป็นรู้ได้ นี่เจตุรยานก็ต่อไปก็เป็นปุกเปนิวาสามตุยานึกชาติโดยไม่จํากัดไปหลังชาติได้ต่อไปอันหนึ่งก็ไปอารติทางสี่ยานผู้เหตุการณ์ในอดีตอยามาวานนี้ต้องการให้รู้เรื่องราวของพระติสสะโือตามบาลีที่แถมมาปุตีคัตติสสะปุติคัตเลวนาแปลว่าพระติสสะผู้มีร่างกายเน่าถ้าเราสามารถรู้ได้เนยไปอารติทางสี่ยาน จะรู้ว่าท่านทํากรรมอะไรไว้ดูกฎพ้นกรรมของท่านที่ท่านทำอย่างนี้เป็นญะถากรรมุมตายานกฎพ้นกรรมที่ทําให้ท่านมีสุขดืวยกฎพ้นกรรมที่ทําให้ท่านมีทุกข์ท่านต้องเจ็บป่วยมีการเน่าทั้งตัวกระดูกแตกทั้งหมดแล้วก็ ก, กรรมอันหนึ่งที่ทําให้ท่านเป็นพระอรหันต์ที่เรารู้กฎพ้นกรรมอย่างนี้เป็นญะถากรรมุตายานเป็นยามตัวที่แป ต่อไปก็ไปนอ่านนายข้าตังสยานรู้เหตุการณ์ข้างหน้าอย่างที่เขาไปจัดการด้านหมอดูอธิตังสยานี่เป็นการพิสูจน์ประวัติศาสตร์ได้ดีมากนั่นก็หมายความว่าถ้าไปสถานที่ใดเราอยากจะรู้ว่าที่ตรงนี้เคยปลูกบ้านไหมเคยมีคนอยู่ไหมคนที่อยู่มีความต้อคกาอย่างไงมีความต้องการอ่างจีรุ่นมีความส า, บบ ม, า ม, สมารถแบบไหนรูปร่างหน้าตาแบบไหนเรารู้ได้ทันที นีแบตีต่ า, างสียานอ น, นาคตต่างสียานด้วยการข้างหนา้าข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราทราบรู้เรื่องของเรารู้เรื่องคนอื่นแล้วต่อไปก็เป็นปัจจุบันสียานปัจจุบันสียานก็หมายความรู้สียานรู้ปัจจุบันว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขได้มีความทุกข์กเป็นรายการใดมีจิตวิญญาอะไรทำอะไรอยู่เราทราบได้อย่างนี้เป็นปัจจุบันสียาน ต่อไปก็เป็นญาถากรรมตายานนี่ทุกข์ญาณอันเดียวเราสร้างญาณทั้งหมดแปดอย่างด้วยกันทั้งตัวเองด้วยญาถากรรมตายาก็หมายความว่าไอ้ความสุขหรือความทุกข์ที่มันมีกับเราเริ่มมีกับคนอื่นทั้งหมดใครก็ตามที่เราต้องการทิ้นก็มีความทุกข์อยากจะทราบว่าไอ้ความทุกข์ที่บรรดานเขาอยู่เวลานี้เขาทํากรรมอะไรไว้ในชาติก่อน เราจะเห็นภาพนั้นพี่ี่ไอ้การรู้นะมันเป็นการเห็นภาพในตัวเสร็จนะอย่างนี้ที่จะถายกุตายาด้วความทุกข์ที่มาเกิดกับเราก็ดีความสุขที่เกิดกับเราก็ดีความทุกข์ที่เกิดกับเรามีอะไรบ้างมาทําไมเราจึงมีทุกข์อย่างอาฉันเนี่ยเป็นคนพูดป่วยตลอดชาติวันป่วยทุกวันถ้าอยากจะรู้ตอนนไอ้การป่วยที่มันก็เหมือนกันทุกคนโทษทางเดียวกัน นั่นคือปาณาติบาตการป่วยไข้ไม่สมบายทําให้ร่างกายไม่ปกตินี่มันโทษปานาติบาตตัวเดียวถ้าเราจะตอบว่าคนที่ป่วยไข้ไม่สมบายนี้โทษปานาติบาตนี่มันของไม่ยากแต่ว่าปาณาติบาตทําอะไรมาอันนี้เป็นยถากรรมูตายานต้องเห็นภาพชัดว่าเขาทําอะไรมารวมความว่าการฝึกพิพุญานให้เกิดขึ้น ถ้าเราฝูกได้คล่องตัวจริงๆก็สามารถจะรู้ได้แปดอย่างตามวิกลามมาแล้วนี่ถ้ารู้ได้แปดอย่างนี้มันเป็นทวิชาสามละอภิญญาด้วยนะแต่ว่าเท่าที่เราฝึกกันอยู่นี่เป็นวิชาสามกับอภิญญาร่วมกันว่าการรู้จริงๆการเห็นชัดๆเป็นวาเป็นภาระของวิชาสามแต่การเคลื่อนเาไปสู่ไปหาเขานันเป็นอภิญญา อย่าที่ขณนะเรานั่งอยู่ตรงนี้เรารู้อะไรตัวอะไรได้เป็นวิชาสามสมมติว่าเราจะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเขาเคลื่อนไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงอันนี้เป็นตัวอวิญญาการเคลื่อนออกไปสู่ที่ต่างๆเป็นอวิญญาดังนั้นจะถือว่าการฝึกของเราก็มีผลสองอย่างคือวิชาสามร่วมอภิญญาแะนี้การฝึกขบรนดาเป็นพุทธบริษัท อันดับแรกก็พยายามระ ง, งั บ, บ, บนิวรณ์ห้าประการนั่นอย่าลืมลืมไม่ได้นะนิวรณ์นเนี่ยความจริงไม่น่าจะระ ง, งับเฉพาะเวลาที่มานั่งจะมาทานไอนเวลาที่เรามานั่งเนี่ยเรามาฝึกระ ง, งับเมื่อระงับได้แล้วต้องติดตามไประ ง, งับที่เราอยู่ด้วยที่เราทำงานก็นดีเรากินข้าวกินปลาก็ดีถายจะ ร, ระบสวาก็ตาม เราคุยก็าตามอันนี้ต้องระ ง, งับมีวร์ด้วยฝึกการระรับระงับมีวร์ตัวนั้นระ ง, งับอะไรตัวที่สำคัญที่สุดคือมีวร์ตัวที่ตัวที่สองคืออารมณ์ไม่พอใจความรักไปรูปสวยเสียงเข้ากลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสเพศสมัมปสัมผัสระหว่างเพศกตจัดคิดว่ามันเป็นอนิจจังในสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นปจัจจัยของความทุกข์อนัตตาในสุดก็พังเหมือนกักน อารมณ์ที่ไม่พอใจเกิดขึ้นเป็นปัจัยความทุกข์ไม่ได้เกิดความสุขไม่ควรจะมีไปทำให้จิตใจสมองยุ่นี้เป็นต้นบางทีเราก็หลงกลกําลังมันยังสูงอยู่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วนิวรณ์เกิดขึ้นมาแล้วต่อไปรู้สึกตัวก็หาทางระงับหาทางตัดว่าภายในไม่ชาติร่างกายทั้งเรานี้ก็จะต้องตายแล้วอย่างพระทีศักดิ์สิทธิ์ฝัง ร่างกายนี้ต่อเมื่อวิญ ญ, ญาณออกจากร่างแล้วลก็าไปปราบวิ ญ, ญญาณออกจากร่างเขาก็จะนำไปทอดทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ที่ใช้อะไรไม่ไดไ้ไม่มีประโยชน์ในเมื่อวิ ญ, ญญาณออกจากร่างร่างกายไปถ้าเราโกรธคนอื่นแล้วกโกรธร่างกายอาการที่โกรธก็เป็นร่างกายขเขาไปโกรธเขาจิตใจมันอยู่ในร่างกายอาการโกรธเ็นของพอดีในเมื่อร่างกายมันตายแล้วจิตใจไปไหนถ้าโกรธ มันก็ไปอบายภูมิเป็นของไม่ดีนั่นวิวนี้ต้องครับและเป็การที่สองก่อนเมื่อระับวิวรณ์ได้พอสูมควรนึกถึงพาสิทอิจิรังวัตยังกายโยที่พระบิดาเจ้าทรงแนะนําพระท่านติกษดอันนี้ง่ายมากเป็นวิรษณียานที่สูงสุดเป็นจุดของพระอรหันต์คือว่าอีกท่านบอกอีกไว่นานหนอ ร่างกายนี้ก็จะไปวิญญาณจะไปปาดแล้ไปปราดแล้วถ้าบ้านเขาก็จะทอดทิ้งไปเขาไม่ต้องการเหมือนก็บทอดไม้สีไไย้วยประโยชน์กานั่งดูร่างกายของเราว่ามันไม่ชาเรากมตายคนที่เกิดก่อนเราตายไปก่อนเราก็เยอะคนที่เกิดพร้อมเราตายไปก่อนเราก็เยอะคนที่เกิดที่หลังเราตายไปก่อนเราก็เยอะเราไม่ชาเราก็่ตาย เมื่อคิดอย่างนี้แลอารมณ์ใจมังเขสลบจากกิเลสหลังจากนั้นก็ฝึกใจตั้งใจภาวนาตามที่ครูแนะนำอันดับแรกกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนให้ใจเข้าให้ใจเขารู้ให้ใจออกรู้ลำดับในการฝึกวันนี้ก็ใช้คำภาวนาวนะันมะมา ะ, ะเวลาให้ใจเข้านึกวั น, นมะเวลาให้ใจออกเนีาทะคนเก่าไม่หนักเทาหนักคนใหม่ ตนใหม่เวลาที่ครูเขาแนะนำให้แนะนำว่าใครภาวนาเวลาที่ภาวนาก็ดีรู้ลงให้ใจเขาออกก็ตามคือให้ใจเข้านึกวนะ่านมาใจออกในะพระทะตอนนี้นะทุกคนจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรไปขาดเพราะความเป็นคิดยของจิตยังไม่เกิดตอนนี้ไม่คำคาว่าทิศย์ทปุยานคำว่ า, าทิพยานนี้ไม่ใช่ลกตาเป็นคิพเพราะว่ามันแค่มีจิตเป็นทิพ คำว่าจิดเป็นทิพย์หมายความเรียกว่าจิตว่างจากกิเลสช่วงเวลานิดหน่อยความเป็นทิพย์ไม่มาเกิดนี่คำว่าจิตเป็นทิพย์เราก็ใช้ลูกตาไม่ได้ก็ตาไม่ใช่ตาทิพย์พวกตาทิพย์ต้องเป็นเทวดาหรือผมหน้าฟ้าร่างกายที่เป็นทิพย์ตาก็เป็นทิพย์เรามีร่างกายเป็นเลื้อมีตาไปคิพยไม่ได้ต้องมีใจไป็ทิพใจเป็นทิพย์การรู้การเห็นทุกอย่างต้องรู้ทางใจ อาศัยความรู้สึกครั้งแรกเมื่อภาวนา า, วนาอยู่แล้วพารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ขณะใ ด, ดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกขณะใ ด, ดรู้คำภาวนาเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์เป็นทิศก็เกิดความรู้สึกแรกพับจะถูกต้องเสมอเพราะความเป็นทิศแต่ว่าแต่เกิดสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่จะตกเป็นท่าของนิวรณตัวที่ห้าจิตเสือ จะตอบไม่ถูกฉะนั้นถ้าเวลาที่ครู ก, ก็ถามว่าครูก็ให้ภาวนาแล้วไม่เห็นว่าอารมณ์เป็นทิศพอสุขคนเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างพอเขาถามพัดปีความรู้สึกพัด ต, ตอบทันทีอย่ากลัวผิดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกส่วนใหญ่จะไม่ผิดจะถูกถ้าเื่อเรากำลังฝึก แต่ก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นวงอาจจะเห็นไม่เสมอการให้ตอบตามความรู้สึกของตัวเองเพราะเทวดาหรือพรหมพระอริยเจ้านางฟ้าท่านมากันมากต่างคนต่างก็อาจจะเห็นคนละคนก็ได้ท่เราถามว่าท่านมาหลายเรานั้นแต่งตัวสีอะไรให้ตอบตามความรู้สึกปรตามนี้นะ ตอนนี้ไปขบันดา ญ, ญาติโยมพุทธไวสัตย์หลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจนักบวชการแพร่และก็บสภาทานศีลนวารทานกรรมฐาน